ตอนที่179ใช้ความใจอ่อนให้เป็นประโยชน์ถ้าเขายังไปได้ไม่ไกลก็จัดการง่ายหลีหวานทิ้งเด็กไว้ตรงนั้นเลยถือว่าช่วยลดภาระให้สหายตำรวจไปได้มากครั้งนี้เขากล้าทิ้งเด็กไว้ให้คุณใครจะรับประกันได้ว่าครั้งหน้าเขาจะไม่ทําอะไรที่แย่กว่านี้หยวนเส้าเหิงเ อ, อ่ยด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำใจเย็นก่อนเรายังไม่ต้องส่งเด็กคนนี้ไปที่สถานีตำรวจจุดประสงค์ที่เขาทําแบบนี้ก็แค่อยากหาทางรอดให้ลูกสาวเท่านั้นอาการป่วยของเด็กคนนี้คุณพอจะมีวิธีรักษาไหม ตอนนี้วิธีเดียวคือการผ่าตัดแล้วค่อยใช้ยาจีนบำรุงร่างกายไปเรื่อยๆถ้าชาตินี้เธอไม่แต่งงานมีลูกอย่างน้อยก็น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงเจ็ดแปปีไม่มีปัญหาอย่างนั้นหรือหยวนเศร้าเหิงพยักหน้ายอย่างใช้ความคิดผมได้ยินมาว่าที่โรงพยาบาลของคุณมันจะมีกลุ่มทดลองอะไรสักอย่างส่งเด็กคนนี้ไปที่นั่นไม่ได้หรือในกลุ่มทดลองนั้นเป็นการรักษาฟรีเพื่อการวิจัยแต่ความจริงก็คือหากเกิดอุบัติเหตุใดๆในระหว่างการผ่าตัดทางโรงพยาบาลจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เด็กอายุแค่นี้ต้องมีญาตเซนยินยอมด้วยหลิหวานไม่ได้คิดจะสอดเรื่องชาวบ้านโจจีจ้นเยี่ยลบหน้าได้เร็วเหลือเกินโลกนี้จะมีพ่อแบบเขาได้อย่างไรเรื่องนี้ง่ายมากแค่หาตัวเขามาคุยให้รู้เรื่องก็พอถ้าเขาไม่เต็มใจคุณก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าเราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกหลิหวานขมวดคิ้วอาการป่วยของเด็กหญิงตัวน้อยรอช้าไม่ได้แล้วคงต้องทําตามที่หยวนเศร้าเหิงว่าส่วนเรื่องคืนนี้หลิหวานลังเลเธอยังคิดไม่ออกว่าจะให้เด็กคนนี้ไปอยู่ที่ไหนแต่ปรากฏว่าเด็กน้อยกลับหลับไปเสียแล้ว ยยหนูนี่ไม่กลัวเลยหรือไงว่าเราจะทิ้งนะ้ะหลี่วันแค่นหัวเราออกมากอด อ, อกมองเด็กน้อยสุดท้ายเธอก็พาเด็กกลับไปที่ใต้ยหยวนจนได้เมื่อหลี่ชิงพิงได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดในใจก็รู้สึกสับสนอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่ได้เกลียดเด็กคนนี้ตรงกันข้ามกลับรู้สึกสงสารเสียมากกว่าเมื่อก่อนเสียหวานยัมีเธอที่เป็นแม่แท้ๆคอยปกป้องแต่ตอนนี้แม่แท้ๆของเด็กคนนี้กลับพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยช่างน่าเวทนานัก แม่ค้แม่ห้ามใจอ่อนกับเด็กคนนี้เด็กขาดนะคะโจจีจ้นเยี่ยตั้งใจทิ้งเด็กไว้ให้หนูชัดๆเขาอยากให้หนูควักเงินรักษาเด็กคนนี้หลีวานเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาฟันไปเถอะลูกสาวของเขาเองทําไมหนูต้องไปยุ่งด้วยหนูไม่เคยเห็นใครหน้าด้านเท่าเขามาก่อนเลยจริงๆไม่มีความรับผิดชอบในฐานะคนเป็นพ่อเลยสักนิดลูกชายคนก่อนของเขาก็ปล่อยให้ตายไปเพราะไม่รักษามาตอนนี้ลูกสาวก็ต้องมาเผชิญกับทางเลือกแบบนี้อีกแม่รู้ น้ำเสียงของหลีชิงถิงบาลงสายตา ย, ยังคงมองโจเสี่ยไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนแม่แค่อยากถามว่าลูกจะทํายังไงต่อไปหรือจะส่งเด็กคนนี้กลับไปให้เขาเลยคืนนี้ให้เป็นแบบนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เช้าหนูจะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจหลีหวานขมวดคิ้วถ้าโจเจียนเย่ยตกลงจะให้เด็กเข้ากลุ่มทดลองทางคลินิกของโรงพยาบาลเราเขาก็ต้องไปเซ็นชื่อถ้าไม่ตกลงก็ช่างเถอะให้เขาพาลูกกลับไปรอความตายเอาเองหลีชิงผิงได้ยินลูกสาวพูดคําว่าตาย รูม่นตาก็สั่นไหวอย่างรุนแรงเด็กคนนี้จะตายงั้นหรือเด็กหญิงที่น่ารักขนาดนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆแต่สุดท้ายก็คงเป็นเพราะว่าสนาไม่ดีเองช่วยไม่ได้เธอไม่ควรมาเกิดในตระกูลโจเลยอืมได้จ้าลีชิงพิงเห็นด้วยกับการตัดสินใจของลูกสาวชาววันต่อมาตอนที่ทำอาหารเธอจึงทำไข่ตุนเพิ่มให้เด็กคนนี้อีกหนึ่งชามซึ่งเด็กน้อยก็กินอย่างอร่อยอร่อยหลังจากกินไข่ตุนหมดแล้วดูเหมือนจะยังไม่พอ เด็กน้อยมองตาเปรตๆเหมือนจะบอกว่ายังหิวอยู่น้าชงนมให้หนูอีกแก้วดีไหมนมเหรอคะโจเสี่ยวไปกับพริตต้าโตขอบคุณข้าคุณนะไม่เป็นไรจ้าลีชิงผิงลุกขึ้นไปชงนมมาให้อีกแก้วโจเสี่ยวไปดื่มจนหมดแล้วลูกท้องกลมๆของตัวเองแต่ก็ยังดูเหมือนจะหิวอยู่ดีกินอีกไม่ได้แล้วนะลีชิงผิงสายหน้าเอ่ยเสียงเบาตอนนี้หนูกินไปเยอะพอแล้วถ้ากินมากกว่านี้เดี๋ยวจะปวดท้องเอาได้ก็ได้คะ่ะโจเสี่ยวไปขอกไม่ได้พูดอะไรต่อ ลิวานมองท่าทางนั้นแล้วคิดว่าเด็กคนนี้คงจะแซงทำมากกว่าเธอไม่มีความประทับใจที่ดีต่อพ่อแม่ของเด็กคนนี้เลยสักนิดนี่เด็กน้อยหลิวานไม่รู้จะเรียกเธอว่าอะไรดีเดี๋ยวฉันจะพาหนูไปส่งที่สถานีตำรวจพอเจอคุณลุงตำรวจก็บอกเขาไปว่าหนูชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรหาทางให้คุณลุงตำรวจติดต่อพ่อหนูให้ได้หนูจะได้เจอพ่อไงพี่สาวคะพี่สาวไม่ต้องการหนูแล้วเหรอเมื่อเห็นเด็กน้อยทำตาโตเตรียมจะร้องให้หลีหวานก็รีบยกมือห้ามทันที เราสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีคำว่าต้องการหรือไม่ต้องการหรอกนะอย่ามาพูดเจะเอ็ดที่สาวไม่ใช่ว่าไม่ต้องการนะจะเพียงแต่ตอนนี้มีธุระบางอย่างต้องคุยกับพ่อของหนูเด็กดีต้องเชื่อฟังนะเรื่องอื่นไม่ต้องไปกังวลหรอกหลีชิงผิงรีพูดแทรกขึ้นมาเพื่อปลอบเด็กน้อยตอนนี้หนูป่วยอยู่สิ่งสําคัญที่สุดของเราคือต้องรักษาโรคให้หายก่อนเข้าใจไหมจ๊ะอือๆโจเสียไปพยักหน้าหนักๆไม่รู้ว่าฟังเข้าหูบ้างหรือเปล่าเธอจ้องมองหลีชิงผิงตาค้าง คุณนะคะ่ะถ้าคุณน้เป็นแม่ของหนูก็คงดีหนูก็มีแม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะรอยยิ้มบนมุมปากของหลีชิงถิงแข็งค้างไปแม่ของหนูป่วยคะใบหน้าเล็กๆของโจเสี่ยวไปดูเศร้าหมองคุณพ่อกับคุณย่าบอกว่าแม่ป่วยหนักมากจำหนูไม่ได้คนในหมู่บ้านบอกว่าแม่เป็นโรคประสาทคุณน้าคะโรคประสาทคือโรคอะไรเหรอคะและจะรักษาหายไหมแม่ไม่เคยทํากับข้าวให้หนูกินเลยแม่เอาแต่ร้องตะโกนโวยวา ย, วาย เมื่อได้ยินแบบนั้นก็แสดงว่าอาการป่วยของหลิวเคอเคอหลังจากกลับไปไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่กลับซุดหนักกว่าเดิมเธอคงยิงก้าข้ามเงาแห่งความสูญเสียลูกคนนั้นไปไม่ได้หลีหวานได้ยินดังนั้นก็นิ่งเงียบไปส่วนโจเสี่ยวไปยังคงพูดต่อคุณนะคะ่ะถ้าคุณน้าเป็นแม่ของหนูหนูคงจะเป็นเด็กที่มีแม่คอยรักคอยเอาใจใส่เหมือนคนอื่นเขาบ้างอย่ามาแย่งแม่ฉันนะหลีหวานขมวดคิ้วกินเสร็จแล้วก็ไปกับฉันได้แล้วคะโจเสี่ยวไปเดินตามหลีหวานไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะัก หลี่ชิงผิงโจวเจี้ยนเย่ยทำร้ายแม่ลูกคู่นี้ยังไม่พ อ, อยังจะมาทำร้ายคนอื่นอีกคนตระกูลโจนี่มันใช้ไม่ได้จริงๆรหลีชิงผิงกำมัดแน่นรู้สึกทนดูเฉยเฉยไม่ได้ก่อนที่ลูกสาวจะก้าวพ้นประตูเธอจึงตะโกนเรียกหลี่หวานไว้แม่จะไปกับลูกด้วยก่อนจะออกไปหลีชิงผิงพาลูกทั้งสองคนไปฝากไว้กับแม่สามีบอกว่าเสร็จธุระแล้วจะรีบกลับมาสถานีตำรวจ หลิหวันอธิบายสถานการณ์ให้ฟังสหายตำรวจแจ้งว่าพวกเขาจะรีบตามหาครอบครัวของเด็กคนนี้ให้เร็วที่สุดหากหาไม่พบก็จะติดต่อสถานสงเคราะห์ให้รับไปดูแลลิชิงพิงได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจสถานสงเคราะห์หรอคะไม่ใช่ว่าต้องเป็นเด็กกำพร้าถึงจะส่งไปที่นั่นเหรอเด็กคนนี้ไม่ได้ไม่มีครอบครัวนะคะพวกคุณแค่ส่งเด็กกลับไปก็สิ้นเรื่องแล้วที่สプラยครับมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นบอกต่อให้เราติดต่อญาติเด็กได้ แต่ถ้าพวกเขาไม่ต้องการเด็กคนนี้แล้วก็คงต้องส่งไปที่สถานสงเคราะห์อย่างน้อยที่นั่นก็มีข้าวน้ําให้กินไม่ให้อดตายสบายใจได้ครับสหายฮจี้เอ๋ยพลางลงบันทึกข้อมูลทันใดนั้นโจเจี้ยนเย่ยก็เดินเข้ามาในห้องเป็นไปตามคาดสิ่งที่หยวนเซ้าเหิงพูดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยสักนิดโจเจี้ยนเย่ยแอบเฝ้าสังเกตการอยู่ในที่ลับมาโดยตลอดถือว่าเขายังพอมีมโนธรรมอยู่บ้างที่ไม่ได้ทิ้งเด็กคนนี้ไปจริงๆเมื่อหลี่ชิงผิงเห็นเขาความโกรธแค้นก็พุ่งพานขึ้นมาทันที